เยี่ยมคนป่วยพวกเราสักกี่คนเมื่อไปเยี่ยมคนที่เรารักที่โรงพยาบาลจะถามคำถามว่าวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้าง นั่เป็นการเริ่มต้นพูดที่ไม่ฉลาดเอาเสิเลยแน่นอนว่าเขากำลังรู้สึกแย่ไม่เช่นนั้นเขาก็คงไม่ต้องมานอนอยู่ในโรงพยาบาลหรอกนอกจากนี้คำทักทายธรรมดาธรรมดานี้สามารถสร้างความเครียดให้กับคนไข้ด้วยเขาอาจจะรู้สึกว่าการบอกความจริงว่าเขารู้สึกแย่มากๆจะเป็นการไม่สุภาพ และอาจจะทำให้ผู้มาเยี่ยมอ่ดอัดใจและผิดหวังได้เขาจะบอกความจริงว่าเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงเหมือนถุงชาใช้แล้วจืดชืดไร้รสชาติได้อย่างไรในเมื่อผู้มาเยี่ยมอุตส่าห์สละเวลามาถึงโรงพยาบาลดังนั้นเขาอาจจะรู้สึกเหมือนถูกบีบให้พูดปดว่า วันนี้รู้สึกก็ยังชั่วขึ้นขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกผิดที่ยังไม่สามารถทำให้ดีกว่านี้ได้เป็นที่น่าเสียใจว่าผู้มาเยี่ยมจำนวนมากทำให้คนไข้รู้สึกป่วยมากขึ้น สมเนรีชาวออสเตรเลียนผู้บวชอยู่ในพุทธศาสนาสายทิเบตกำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งในบ้านพักผู้ป่วยใกล้ตายในเมืองเพิร์อาตมารู้จักท่านหลายปีแล้วและมักจะไปเยี่ยมท่านบ่อยๆวันหนึ่งท่านโทรศัพท์มาหาอาตมาที่วัดขอร้องให้ไปเยี่ยมให้ได้ในวันนี้ เพราะท่านรู้สึกว่าเวลาของท่านใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นอาตมาจึงวางสิ่งที่กำลังทำอยู่และเรียกคนให้มาช่วยขับรถพาอาตมาไปเยี่ยมท่านซึ่งอยู่ห่างออกไปเจสกิโลเมตรทันที เมื่ออาตมาไปถึงแผนกต้อนรับนางพยาบาลบอกอาตมาด้วยท่าทางวางอำนาจว่าสามเณรีสั่งว่าไมใ่ใครเยี่ยมท่านโดยเด็ดขาดอาตมากลาอย่างนุ่มนวลว่าแต่อาตมาเดินทางมาไกลามากเพื่อจะมาเยี่ยมท่านโดยเฉพาะนางพยาบาลกันโชคว่าเสียใจท่านไม่ต้องการให้คนเยี่ยม และเราจะต้องเคารพความต้องการของท่านอาตมาคานว่าไม่น่าเป็นไปได้นะท่านเพิ่งจะโทรศัพท์ถึงอาตมาเมื่อชั่วโมงครึ่งที่แล้วขอให้อาตมามาเยี่ยมนางพยาบาลอาวุโสทาหน้าถมื่อถึงและสั่งให้อาตมาตามเธอไป มาหยุดอยู่หน้าประตูห้องสามเณรีและนางพยาบาลก็ชี้ให้ดูป้ายกระดาษแผ่นใหญ่ติดไว้ที่ประตูที่ปิดสนิทอยู่นั้นห้ามเยี่ยมโดยเด็ดขาดเห็นไหมล่ะนางพยาบาลว่าเมื่ออาตมาพิจารณาป้ายนั้นอาตมาเห็นคําเขียนตัวเล็กๆอยู่ข้างใต้ยกเว้นอาจารย์พรม ดังนั้นอาตมาจึงเข้าไปเมื่ออาตมาถามสามเณรีว่าทำไมท่านจึงติดป้ายไว้โดยมีข้อยกเว้นท่ pian, Меня, านอธิบายว่าเพื่อนเพื่อนและญาติญาติของท่านทุกคนเวลามาเยี่ยมเขาจะเศร้าและเป็นทุกข์มากที่เห็นท่านกำลังจะตาย ซึ่งทำให้ท่านรู้สึกแย่ยิ่งขึ้นท่านบอกว่ามันก็แย่อยู่แล้วนะที่จะต้องตายด้วยโรคมะเร็งแล้วยังจะต้องมารับอารมณ์ของคนมาเยี่ยมอีกมันรับไม่ไหวท่านพูดต่อว่าอาตมาเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ปฏิบัติต่อท่าน เช่นคนธรรมดาไม่ใช่คนที่กาลังจะตายไม่เสียสูนเมื่อเห็นท่านผอมโซและอ่อนแอแต่กลับเล่าเรื่องตลกให้ท่านฟังทำให้ได้หัวเราะดังนั้นอาตมาจึงใช้เวลาในชั่วโมงถัดมาเล่าเรื่องตลกๆให้ท่านฟังขณะที่ท่านก็สอนอาตมา ถึงวิธีที่จะช่วยเพื่อนผู้กำลังจะตายอาตมาเรียนรู้จากท่านว่าเมื่อเราไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลให้พูดกับตัวคนและปล่อยให้หมอและพยาบาลพูดกับตัวโรคท่านมรณภาพหลังจากที่อาตมาไปเยี่ยมไม่ถึงสองวัน